ช่วงนี้พันแฮนเดือนน้อยก็ไปช่วยงานหลวงปู่ทำบาปป่องสิบกว่ารูปแล้วก็ขึ้นดอยดยังเหลือน้อยหลวงปูถึงทำาปป่องก็ต้องนึกถึงหลวง ป, ปู่เปลี่ยนหลวงปู่จากเราไปสามสสองปีแล้ว ต้องแก่ที่วันแม่นี่ะเหตุเพราะวันแม่เราบเรีรั บ, บรรพระราชทานสมณศักด์ในวันแม่ทสองเชีงหาประเพร่าพัดคือก่อนน้นั้นเขาไม่สบายบนดอยหน้านี้ฝนตกชุกเป็นธรรมชาติสภาพ ท, ที่แปดสุบกว่า แต่ว่าหามกันละจะขึ้นจะลงก็ใช้ีหามเสลี่ยงนุ่มปูดเดินไม่ได้ห้าพ้อยคันปรากฏนานๆกับตกดอยไม่แข็งขาไม่ดีเปลาพัดกลับมาือวันที่สิบสามไว้พระสุดมนแล้วก็เข้าห้อง ห้องร้องโผลจะอยู่ด้านหลังทาง่านคือนั้นก็แปะไปบกให้รู้สึกกลางกดแล้วก็เอามุ้งลงนอนในกดในมุง้งก็งมาเด็กใครคิดเตะใจทนโป๊ากา็ไม่มีอาการไม่มีหวัปกติที่นั่นจะทำวัดกัน ช่วงคำเลิกเทศต่อสามทุ่มสี่ทุ่มตีตีสามเป็นอย่างนี้ทุกวันโดยต้องปูจะนั่งแล้วก็นำตลอดคืนนั้นตีสามก็ไม่ออกมารู้สกกระบอกว่าขั้นคงจะเหนื่อยปล่อยท่านเถิด ก็ไม่มีใครได้ไ ป, ไปเรียกไม่ได้สร้างก็ลปล่อยให้ท่นานพักก่อนเช้าเข้ามาในเวลาฉันก่อนที่จะที่คนเขาไปดูว่าอ้าวลงปูไปแล้วไปตอนไหนก็ไม่มรู้สะดวกคือหลังที่ยคืนหลังตที่นคืนแล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่ก็ถือเป็นวันที่สิบสี่ ซึ่งเป็นที่มาของเราจัดงานเพรบรวบวันวาภาพวันที่สิบส่ยิงเป็น่ปคืนที่สิบสามแล้วในแวดแปดสิบสามปีก็ไม่ถือว่าแก่มากแต่เนื่องจากลงลงโมกุขึ้นลงขึ้นลงทำห้ารอยคันทำเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นบันไดปูนอย่างนี้่ัน เป็นดินธรรมดากดเป็นคันคนคันคันคั น, น, น, นถ้าเยียบไม่ดีนี่ก็งายทองหน้าฝนานี้นลูกโบอยู่ลำบะอยู่เป็นประจำดาดตาการาประมาณ2องพันหอเจ็ดงันหร้อยสิบหลังการก็กมอประให้ลูกูรต้องอินรับผิดชอบที่นี้ต่อ2อ1 0ันหรอยสิบ ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ตัวเอนก็อยู่ทำพระเลริยมาเป็นศานาธรรมที่นำพรโดยหลวงพู่สังแล้วก็หลวงปู่ที่สกนนลนครหลวงพู่สูนซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่8ปดสิบแปดแปสิบ้าปีแล้วด้วย ค, ความเป็นมาขาว่าเวันแม่หรือพ่อแม่ครูาอาจารย์เรา ส่วนวันเกิดของพันปีหลวงก็เป็นเรื่องปกติแล้วทำทุนปีอยากให้เรานึนเป็นน้องวันแม่ในวันที่พวกเรายึดขอท่านเป็นแม่คือเป็นแบบเป็นต้นแบบทุกอย่างผมปูเป็นต้นแบ บ, อแ บ, บของพวกเราเรื่องคิดวัดคบวัดไม่เคยประทุกข์ทางโดยบริจริงๆในวัยทือ ชราแล้วก็ยังรักษาเก็บรเข้าวัดอยู่ที่นี่อาจจะไม่ดึกมากวันที่สีนที่ทั้งเมื่อก่อนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นในรรษานอกรรษาตอนนี้เหลือแค่ในรรษาก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ ความสนใจน้อยอันนี้คือความเป็นไปหนวันแม่วันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนทด่เป็นต้นแบบเมื่อวานก็ลงปูอินสมปูอินสมก็ไปในวัยข้าแปดสิเอ็ดย่างเขาแปดสบสองก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บรวมเราหลายโล ได้แปดสิบกว่านี่ยก็ถือว่ากิ่งละแข็งแรงเนี้ยบางนั้นหลวงปู่ทหลายลเลยก็ประมาณเบิกกันมั้หลวงปู่มั่นของเราก็แปดสิบไม่ได้เยอะปู่เสาแปดสิบสองปู่สิงข์กขัตยาขโมยเป็นต้นแลยเป็นอาจารย์ของอาจารย์เรียกว่าอาจารย์โป เขาไปเจ็ดสิบเแต่ก็น่าเป็นโรคร้ายสมัยนั้นการรักษาพยาบาลไม่มีกระจับไปเรื่อยๆนี็นว่าอายุเฉลีย่ยขอไม่ครู อ, อาจารย์เราก็ประมาณ80ดสิเรฉลี่ยแปดสกลางๆก็ไปกันแล้วนี่พวกเรายัง ประมาทเลินเล่อยังคิดว่าอยู่ได้อีกนานพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันนไว้8แปดสิบก็นั่เองสาวกยังอายุยืนกว่าใิฉันไปบ า, า, ง 100, 120, างองค์ร้อยร้อย0ี่สิบร้อยสี่สิบอายุยืนนางอุจาราคา้อยี่สิบยืนยืนกับพระพุทธเจ้า เมื่อวา น, านประเทศหลวงปู่ก็สะดุดที่คำคาหนึ่งก็คือก่อนที่หลวงปู่จะละขันหลวงปู่ก็ประกาศลาหลวงปู่ทวยซึ่งหลวงปู่ได้ไปอยู่กับหลวงปู่ทวยนอกภษาอยู่ที่ห้าหเดือนนานที่สุดถ้ห้าเดือนตอนนั้นก็เป็นทางข่าวไปพอนานรัลวง่แต่ที่จะกัรหลวงปู่ยินสมเราเนี่ เคยไปหัดภาวนากับหลวงปู่สิงห์สมัยบทต้นๆบทแรกๆก็ไปกล่าบลาหลวงปูุยฟังดูเหมือนธรรมดาเหมือนไม่เห็นอะไรเรามาดูสมัยพุทธกาลภาษาวกแต่และองค์แม้แต่โมคลาสารีบุตร บำัดหลาจะโดนทุบจนแหลกไปละเอีดเออนดขึ้นาอุสาอธิษฐานจิดต่อการเพิ่มไปทุนลาพระพุทธเจ้าพระารอดก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะเข้าสุนิพานที่บันแม่สองฝั่งแม่นานอธิษฐานอิานการอากาศก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าทำไมถึงวธิษฐานการอกรเพราะว่ากลัว แต่ญากติๆน้งๆองแย่งกันก็เลย เ, เอาเป็นสองซีกสองฝั่งจะทํามาแย่งกันนี่คือทำเลียนโบราณาการว่าที่ ม, ม, ไไมีอะไรต้องไปกลาบผูดยังไงแม้แต่ก่อนจะตายจังกลับลาวทำไมคือว่าการ น, นี่เป็นวัฒนธ ร, ธรรมทำเลียนเรื่นี้ที่พวกเราไอ่เคยรู้มันแปลว่าเคารพ กูอาจารย์นั้นไม่ศักด์สทว่าขอเป็นวันแรกจนถึงวันสุดท้ายกูวันตายเมื่อวานเราพูดถึางงานหลวงปู่เด็นกายะเททางคือการแตกดับการแหงกายเมบ่มยงสมท่านภาวนาจนกายแตก ม, มาอยู่กับหลวงปู่ถุยนั่นก็แปลว่าถ้าจะหมดภาระราแล้ว ขนเรือที่พวกเราแล้วกายยังไม่แตกยังไม่ดับแต่ว่าเต็มไปด้วยทุกข์เรียกว่ามหาทุกข์ครับเป็นทุกข์ใหญ่ที่เราเสบยกันอยู่ทุกวันนี้ น, นั่นอยากพวกเราเนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นแบบก็คือพ่อแม่นั่นแหละเป็นต้นแบบของพวกเราว่าจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ เป็นพวกนี้พวนำเป็นหลักเป็นฐานกับพวกเราได้มันจะน้อยลงทุกวันที่ในองของธนาคารยานต์เพื่าค้างเหนืเราก็เฉลี่ยแล้วก็เจ็ดสิบณัตอนนีาา้เหลือหลวงปู่องค์เดียวที่เก้าสิบห้าท่านกำลังไหวนะแล้วก็ไม่ใช่พระนักนเทศเอ่านั้นก็เจ็ดสิบกว่าจึงเอาคามแน่นอนไม่ได้ ดังพวกเราในภาษาการนี้ก็พยายามตั้งใจตั้งสิตจะอธิษฐานเยืนเกี่กันอยู่กันกินกันหลับกันนอนพูดเสมอครบอาจารย์นะหลวงปู่เราไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สิงห์หรือตั้งอืน่นท่านบอกว่เฝึกได้เรื่องกินเนี่ยฝึกได้เรื่องนอนเฝึกได้แต่พวกเราไม่สนใจคำคำนี้เลย มัวเด็ดสนใจเรื่องกินกินได้ทั้งวันไม่ถึงสองชั่วโมงกินอีกล้ะกายเป็นหมูดอนกายเป็นที่มาขอ ง, ของความรกรกใครแ่เจ็บแล้วก็ปากเนะนี่วป่วนถ้าก็จกาสูงเล็นึงจาได้กิดใจทันาวากามเนี่ยตัดมันสักชาติได้ไหมต้องจะเป็นแน่นอน คำคำนี้อย่างเดกกล้องเด็กยิงหงกล้องเด็กย ใ, ใจที่เป็นที่มาเขาไม่ได้สืบหาลาภเพศเหมือนโมูคณะที่บวชพร้องกันไม่มีให้เหลือแล้วก็เหลือคนเดียวเนี่ยแหละรุ่นรุนเดียวกันไม่มีใครเหลือก็อเพราะว่าคำคํานี้บอกว่ากามเนี่ยตัดมันสักชาติได้ไหมไม่ตายเพราะว่าเราใช้กามมานานแล้วกราร ม, มาพบ พ่อของกางมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ดังนั้นคนที่ในรูปปัจจานก็ดีทําไมผู้อาจารย์เราพุทธิจถาทำไมาได้ยกย่งองว่าเป็นกองดีของวิเศษแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีถือแม้เราได้รูปปัจจานจนชํานาญมันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ในรูปก็คือรูปอบพกที่ดีมายไปไหนอาจจะดีหน่อยอา จ, จะละเอียดหน่อย ตั อ, อรูปฌานมันเกี่ยวข้งของกับรูปวิจิงแต่มันยังติดอยู่ในเวทนาสัญญาสังขกรันยิง่งมันยังขอยู่ก็ยังเชื่อว่าติดในรูปแล้วก็อรูปก็อยากไปไหนมาไหนไม่ได้พระพุทธเดียดวงเป็นดูมีรูปก็จริงนะ์น่ะเป็นรูปละเอียดเขาก็อาศัยรูปหยาดนี่แหละไปดูถ้าไม่มีรูปนอยู่ไม่ได้จิตไม่มีที่ตั้ง ทิฏฐิจิตทิฏฐิวิญญาณมันต้องมีที่ตั้งเหมือนเรานอนหลับนี่แหละที่เกิดความฝันเกิดที่นี่นั่นแหละที่อยู่ของเวทนาสัญญาอากาศวิญญาณคือมันต้องมีที่เกาะต้องมีที่ตั้งใช่ไหมมันเป็นกายอยากอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่เหมือนพวกเราแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมของเราไม่เหมือนพวกเราเขา สะอาดกลินเข้าสะอาดส่วนมนุษย์เหม็นมันต่างกันเพราะเขาไม่ได้กินของหวานของข้าวย่างเรารเราได้กินสิงสาราสัตว์เนื้อมันเป็นที่มาของความมความสกปรกนั้นใครที่บอกว่าเอ็นเทวดานั่นนี่ น, นูน่น่าจะเข้าใจผิดมันเป็นสักแต่วนิดนิดเพราะเขาไม่เข้าใกล้เราหรอกมันเมน็น ระยะเข้ามาไกลเราก็เห็นะมาณต่างกันโดยสถานะซึ่ต่างกับพ่อแม่ครูบอาจารย์เขาเข้าใกลได้ทำไมต่างกนับาอาจารย์เราก็กินแต่ถ้ากินดยว่กวาพิจารณาฉันกวาพิจารณาอาจกินมากแต่ที่สำคัญคือกลิน่นของสิ น, ม, นมันหอมหนทั้งตัวหลม แด้ตามลมไปกินของพวกมีศินใครก็อยากเข้าใกล้อยากเข้าไปเฝ้าเขาใกล้ๆเข้าไปแล้วม อ, อบอุ่นเข้าก็แล้วมันเย็นไปดิงพาอากาศตอนนี้ถ้ามันตกเมื่อไหร่ทุกคนได้รับอารสมมนัสนุนเพราะฉะนั้นของเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างขึ้ น, นมาได้เพราะไม่มีข้อจํากัดไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย วันวันนั้นวันนี้วันน้นวัดนั้นไม่มีถ้าพวกเรายังประมาทเลินเล่ออยมัวรอแล้วก็เต็มเปด้วยควอ้างสาระก็ อ, อ้างเองเองอ้างการอ้างเวลาอ้างสารที่อ้างการก็อ้างเวลาบอกไม่มีเวลาเวลามันน้อยก็ไม่รู้เอาเวลาไปทําอะไร เราเข้าใจมาหากินเป็นเรื่องปกติแต่หลังจากนั้นมันก็ต้องมีเวลาเดือการเลือก น, นั่ก่อนหลับก่อนนอนมากน้อยไม่เป็นไรอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่งั้นาจะเสียโอกาสเสียเวลาแทนที่เราจะมีความดีเพิ่มขึ้นในความเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นประสง อ, ง, อ ง, สงค์ินอุบาสกุบาสิกาถ้าไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ย มักเท่าเดิ ม, ท เ, ด ม, มเท่าเดิมนี่พอมีแต่จะลดปริมาณลงลดความเป็นคนลดความเป็นมนุษย์คุณภาพศิลธรรมนี่แหละในขัข้ความเป็นคนเป็นมนุษย์วัดกันตรงนี้ทวนมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปแม้แต่พระสองโองเนมที่เป็นครูอาจารย์ก็ตามยมันเริ่มที่พวกเราไปเชื่อบุคคลมากกว่าเชื่อธรรมมากกว่า พุทธเจ้ามีอะไรเราไม่ได้นึกถึงพุทธเจ้าเพรั้นฝากเราทุกคนอาจะลืมนึกถึงพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นหลักส่วนอื่นก็ฟังได้แต่ว่าต้นแบบต้องไม่ลืมนัม่นคือต้นแบบต้นฉบับของพวกเราผมว่าพุทธเจ้าของเรานะมันไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วกว่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไมามาได้ ไม่รู้กี่กับกี่กันผ่านมาทุกอย่างเป็นมาทุกอย่างกว่าที่เป็นพระเจ้านะั่นคือพรธเจ้าก็ปเป็นเสร็จแล้วก็ยังแม่ตางสรรพสัตว์ทั้งหลายชีย้แจงสแสดงจน2000ประสบความสําเร็จสองพันปีนเนี้นี่คือพรธเจ้าเบิดต้นแต่พระธรรมก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็เปิดพระองค์ก็เผย ให้เห็นสิ่งนี้ด้วยสติปัญญาของเรามันไปไม่ถึงไม่สามารถเรียนรู้สิง่งนี้ได้พระองค์ก็เปิดแล้วก็เผยให้เราดูาาว่าถ้าพเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตควรปฏิบัติตัวอย่างไรอย่างเช่นวันแม่วันนี้ก็เช่นเดียวกันผู้ชายขพูดถึงว่าคนใดที่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยทรัพย์สินเป็นทองของมิคาที่ได้มาโดยสดเจริ ต้องใช้คำนี้คนคนนั้นทรงโผล่แก่กัน ย, อย่อมการเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ยาก็จะเป็นเรื่องของพรามทางว่าจะปฏิบัติตัวกับพ่อแม่อย่างไรผู้ยายก็บอกว่าสิ่งที่เลี้ยงดูพ่อแม่ต้องได้มาทดยสุจริตก็คือทานแม้แต่ทานที่เราได้มาก็เช่นเดียวกัน พอได้มาด้วยความสุจริตเป็นทานก็เรียกว่าทานบริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์การอสงค์งก็ยึ่งเพิ่มขึ้นผู้ให้ไม่ค่อยบริสุทธิ์แต่ผู้รับบริสุทธิ์ต็ยังพอมีสอสงค์ผู้ให้ไม่ค่อยบริสุทธิ์ผู้รับยังไม่ค่อยบริสุทธิ์อสองค์มันก็น้อยอันนี้แต่มันน้อยไม่ทวรจะกระชัหมดความผู้นี้ นี่วันนี้เป็นวันต้นแด็บเนตัวอย่างเป็นวันถึงแม่เราได้เสียเสียบุคคลสำคัญในครับคายเป็นแม่อนี้แต่เราก็ยังระนึกถึงพุะคุณของท่านที่ยังจะรักอยู่ว่าจะเป็นกิจวัตรข่าวัดกีฬาเอาไว้ศาสนาวัดวาอารามนักปู่ท่านตัวช่างไว้หลายที่หลายทานเยอะมากอื่นๆคนอุปการ จนสุดท้ายก็ไในวัยสุดท้ายก็ไม่ไหวก็คือไม่ไหวเพราะฉะนั้นวัดเราก็เป็นวันหนึ่งที่พยายามเท่าที่คว า, ามสามารถที่จะแนะที่จะนำชักจูงพวกเราเข้าสู่ทางธรรมสู่ความร่ำรวยเป็นศพพยายามทุกโอกาสทุกเวลาที่มีอยู่เพราะนั้นพวกเราอย่าลืมเมื่อวันนี้เป็นวันแม่ อยากให้พวกเราเอามรดกที่พ่อแม่เอาให้เนี่ยก็คือรูปร่างกายท่าสีกัดขัน้นพ่อเราได้จากพ่อแม่นี่คือมรดกธรรมที่แท้จริงถ้าใครเอามรดกนี้เอาไปพิจารณาไปดูทั้งรูปและนามท่าขันซักพอกเหมื อ, อ น, นเสื้อผ้าก่อน มันยังค่อยสะอาดผมสกปรกมันก็จะน้อยลงน้อยลงเรียกว่าทำประโยชน์กับมรดกที่เราได้รับจากพ่อแม่แท้จริงก็คื อ, คอรูปร่างกายอันนี้ท่านก็ให้เท่ากันหมดไม่มีคนไหนที่ให้ขาดให้เหลือให้เกินแขนก็สองข้างไม่มีสามสี่ขากระวนกันหัววนกันเพราะฉะนั้น โมระดกที่แท้จริงก็คืออันนี้ส่วนอื่นๆนั่นเป็นระดกของท่านไม่ใช่ของเราเราไปแย่งเอาฆ่ากันตายลูกหลานๆท่านทําเอาไว้สุดท้าก็ไปฆ่ากันตายคิดไว้ของตัวเองจะพึงได้พึงนี้มันไม่ใช่ส่วนโมระดกที่ได้รับมาเต็มๆกับไม่สนใจดูแลกลับไปเอาไปทําร้ายไปทําลายในทางที่ไม่ดีมั น, นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราฉะนั้น พระแม่ครูอาจารย์นั้นท่านรับมรดกอันนี้แล้วท่านเอาไปฟอกเอาไปซักเอาไปล้างเอาไปชำระจนบริสดบริสุดแม้ทั้งพูดง่ายคือกระดูกซึ่งโดยทธ่ไปมันไม่มีธรยมาคุณปฏิบัติแต่ที่สำคัญคือเมื่อล้มหายตาจากไปแล้วอนุชนล้นหลังอย่างไ้ระลึกนึกถึงราบไ่ายบูชา คนน้อยคนในโลกนี้ที่พูดง่ายๆคือตายไปแล้วคนรุ่นหลังอย่งราคนึนกนถึงอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่แ บ, บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อบูชาคุณของพ่อแม่ผู้อาจารย์คุณของพระพุทธเจ้าคุของพระธรรมคุณของพระ อ, อริยสงฆ์คุณพอคุณแม่ผู้อิทคิพทั้งหมดเราไว้รับประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บนักตาย อย่งนั้นกายแตกและกระดับจะไม่ได้อะไรเลยพอไปเรื่องนี้น่าเสียดายไปนั้นก็ที่ว่าเรามาครั้งนี้ไม่ใช่มาเล่นเล่นเล่นหัวคือมาสร้างบาลานหาความดีกับตัวเองเพิ่มขึ้นบาลมีก็คือแสดง ว, ว่าเรายังไม่เต็มเรายังไม่ถึงฝั่งขอบาลมีพยายามทําให้มันเยอะๆคือมันไม่เต็มก็ไม่เป็นไรแต่พยายามทําให้มันเยอะ มันจะไม่ถึงฝั่งไม่เป็นไรพยายามที่จะพายเรือให้มันใกล้ฝั่งให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้อันนี้คือเปหมายของเราแต่ถ้าใครทำบารณีเต็มหรือข้ามไปฝั่งได้แลนะ้วคนนั้นถือว่าสุดยอดของตารเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ซึ่งกุบายาเขาพวกเราทุกคนเราจะเห็นว่า เราอาจจะไม่สังเกตถ้าเราสังเกตนิดหนึน่งครูบาอาจารย์ของเราล้วนแต่เกิดท่ตตะโกนฐานะไม่ค่อยดีตางบอกอย่างนี้เกือบทุกรูปทุกนามไม่ได้เกิดในฐานะผูรัตนมากดีทำไมคำถามเกิทตา ม, มนี้พาท่านได้สร้างบารมีมาเยอะ ก็เพราะว่าถ้าไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะมันไม่ต้องได้รับผลก่อยอะไรคือไม่รู้จักคําว่าทุกก็มาจะเป็นประเป็นรับผลก่อยแต่เกิดในฐานะคนธรรมดาชาวนาซึ่งทั่วไปก็เป็ น, นจะเข้าใจคําว่าทุกตั้งแต่เด็กพื้นฐานเดิมท่านมีปัญญาอยู่แล้ว แม่ก็ปัญญาในจิตของท่านมีอยู่แล้วพอไปเสเกิทนิดหนึ่งก็เริ่มนึกได้อยางเช่นคาบางคำยันเช่ น, ำำช น, ชนลำโอแวนก็ไม่เคยคิดจะบวชแต่ว่าพ่อแม่มี่อ่านสงงของวันแม่นะแม่ก็เรียกมาคุยตั้งต็มเด็กยังไม่รู้เรื่องรูแลอะไรแม่ป่วยป่วยมากๆไม่สบายแม่แค่บอกว่าลูก ถ้าแม่ตายไปแล้วนะี่บวชให้แม่ได้ไหมความรักเนะี่จึงไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเป็นโยชนคืออะไรกระรับปากครับแม่ตายก็บวชให้นะี่แต่แต่ถึงแม่เป็นวัดบ้านไม่ใช่วัดป่าก็ใส่โยกับยายนะนี่คือตน้ตนต้นต้นต่อของการบวชของลุงปู่ท่านฐานะก็ไม่ใช่ปัจจดี ลำบากพ่อร อ, อยู่แม่ตายตั้งแต่เด็กก็ดูดิรู้จากความพลาดพลาจากกันตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์มักจะเป็นเช่นหลายๆรูปสังเกต ด, ดูอ่านประวัติแล้วจะเป็นอย่างนี้ทําให้ได้สํานึกสำนึกหลังจากนั้นก็เป็นเนรต่อต่อต่อกันมาเพราะว่าพื้นฐานเดิมท่านมีมาแล้วมันไม่ใช่เยงแค่ชาตินี้ชาติเดียวมันไม่รู้กี่พักกี่ชาติมาแล้ว พอต่อกุท่านก็นต่อได้เลยก็ส่วนใหญ่ก็เพราะแม่ผู้ปุกคงจะไม่อยู่ธนลาําบาอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่เชื่อบทเพราะว่าไม่มีข้าวจะกินถึงได้บวชเอาตัวรอดอมง่ายมันมีเหตุมีปัจจัยของมันและคำพูดของพระอาจารย์แต่ละคำหรือไม่กี่คำเลยจะสะกิดใจของท่านให้ฟุ้งตื่นขึ้นมาว่าเป็นหลักในการยึดในการดำรชีวิต จะฝังใจมั่นใจมั่นคงส่วนใจกลาวใจของเราก็เป็นอย่างนี้แม้แต่ละองค์องปูของเราก็ เ, เช่นเดียวกันแต่แนวทางการเข้ามาสู่ทางาศาสนาก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นแต่ละองค์แต่ละท่านแม้แต่ลวงปู่อินสมเราก็เช่นเดียวกันพระบรมเถรไวัยรุ่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือแนวทางทําให้เกิดสติปัญญาและก็ฝากพู้เราว่า กว่าอาจารย์แต่ละผู้แต่ละนามแต่ละองค์กว่าจะมานั่งยืนเดินนอนให้โรกรากราบบูชาท่านสร้างมาไม่รู้ขีปนาวุจอะไรแล้วที่จมาต่อยอดเกินไปเราไม่สามารถที่จะมองเห็นข้างหลังได้เพร า, า น, นั้นเองแต่นันกปรากผูพวกเราทุกคนในสษานการน์นี้อย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าเป็นพื้นฐานพยายามรักษาศีลห้ามันกบ ตอนนอนถึนอนอธิษฐานเอาเรื่องสิหานี่เป็นหลัรไม่ได้ด่านสามเดินอย่างน้อยก็ยังดีมันจะเป็นพื้นฐานรุนส่งด้านจิตใจของเราอย่างน้อยที่สุดก็คือสมาธิทําไมต้งบอกว่าสมาธิดีขึ้นเพราะมันมีความไม่ตกกังวลถ้าศีหานแล้วมันของความไม่ตกกังวลในชีวิตเราจะไม่มีเรื่องค่าสัตวตชีิตเราไม่เราไม่ตาม ลเล็กหัน้อยเรารก็ทำการมีสุภาษิตช่างเราก็ทําได้บุสบาวาทาผู้เจอเร็วไหลไหร้สาระดินทาชาวบ้านอย่างเงี้ยผู้จะเลืิกได้แล้วอันนี้เราทําได้้วยาสติโตประเภทนี้เราทําได้อย่างนี้จิตใจงเราจะมันคงมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่เยอะเลยถ้าเทียกบกับอื่นๆมันแค่ห้าข้อเองทําไมเราทำไม่ได้หรือทําไม่ได้จริงก็ สามข้อก่อนสีข้ อ, ขอก่อนจนกระทั่ข้อข อ, อย่างนี้เป็นตนแต่ว่าต้องทําต้องเริ่มทบทวนทุกวันให้เราทบทวนทุกวันวะาสินไม่ได้นะแต่คนตายจากสิ่นี้หมดเลยหมดความเป็นคนความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นได้แค่คนสิลไม่มีสตัวเป็นคนยังไม่ได้เห็นไหมต้องต้องสอนตัวเองอย่างนี้ไอวเห็นไหมที่เขา สิ่งเจตัวก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นจามาโบควายมูอหมากาไก่ตัวเดียวก็ไม่มีไม่สามารถที่เรียนรู้อย่างพวกเราได้ตัวเนะี่ยหนักวยนะจิตของเราถ้ามันต่ำขนาดนั้นมันก็จะไหลไปอย่างนั้นมันมีรูปก็จริงรูปเหมือนพวกเราก็จริงรูปประการน้ า, ากันก็จริงแต่ว่าพัฒนาอะไรไม่ได้เลยจะมีประหชน์อะไรต่อให้อยู่เป็นร้อยปีไม่มีความดีเพิ่มขึ้นเลยจะเกิดอะไรขึ้นทระวัง นั่นขอพราบคนราเดชภาควูมใจในครูบาอาจารย์ในพ่อแม่โดยพ่อพี่ใครยัมีพ่อมีแม่ดูแลอยู่ก็ดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ได้เพราะว่ามดรดกที่เรารับมาคือร่างกายเนะี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยตีราคาไม่ได้ไปทำ ต, ตอนนั้นทำนี้ไม่ได้เราถือว่าเราได้รั บ, บ, บของมีค่ามากที่สุดส่วนใครจะไปต่อยอด ได้มากน้อยกันไหนหรือมากกว่านี้ก็ะจะเป็นเรื่องที่ดีอันุี่สองก็จะตกกับพ่อแม่ครูบอาจารย์ท่านเราอ่ะคนที่บวชตลอดชีวิตคนที่ทําปฏิโมกได้จะช่วยพ่อแม่พวกปกครองครูบอาจารย์ท่านว่านันะไม่ได้ว่างเองถี่แม้คนนั้นจะตกอบายก็สามารถเจ็ดพ้นอบายได้ชีวิตดีขึ้นอันนี้คืออันสุสองในการบวชที่สองข้าวคนได้ปฏิโมก อย่าลืมแผ่เมตตาให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้บาอาจารย์ทุกครั้งซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่เราลืมนึกถึงลืมแผ่เมตตาหรือแผ่ความดีแล้วพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่าลืมทำความดีทุกครั้งที่ผ่านมาวันนี้วันไหนก็ต่างอย่าลืมแผ่ความดีมอบความดีอันนี้นึกถึงผู้มีโอกาสรับทุกคนขอยท่านเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราต้องหลายได้กระทํามันเป็นในวันนี้ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันในวันแม่หรือพ่อแม่ครูบอาจารย์และก็แม่ที่ที่จริงที่เราทุกคนได้กระทํามันเป็นในวันนี้ขออนุสงฆ์ความดีที่พวกเราต้องหลายได้กระทํางันนี้จงถึงแก่บรรพบุรุษของพวกเราพ่อแม่ครูบายูอาจารย์ผู้มีบุโลทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ผู้เราทั้งหลายได้กระทําความเป็นอวันนี้ขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญอยู่ทางโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด